ข้อความในสังยุตตนิกายขันธวรวรคจัตตฐานสูตรสัตตะบวกฐานะบวกสูตรเนี่ยนะพะสูตรที่กล่าวถึงเหตุเจประการรู้ฐานะเจ็ดคว่าฐานะนี่แปลว่าเหตุไนงะกล่าวถึงเหตุเจประการข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็เหล่านั้นเนี่ยนะทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการเป็นผู้เพ่งพินิษโดยวิธี3ประการฉลาดในฐานะ7เนี่ยหัวข้อหนึงเพ่งพินิษฐ์โดยวิธี3ประการเนี่ยหัวข้อหนึง ก, ก็คือ2หัวข้อหลักก็คือฉลาดในฐานะเจกับเพ่งพินิษโดยวิธี3ประการเราเรียกว่ายอดบุรุษผู้เสรษฐกิจอยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ ก็บอกว่าถ้าหาว่าคนที่มีความสามารถแบบนี้เรียกว่ายอดบุรุษจบพรหมจรรย์แล้วละ่ะพรหมจรรย์คือสิกขาในศาสนานี้อยู่จบแล้วอย่าเนาว่าเพราะว่าคําว่าพรหมจรรย์นี้หมายถึงศาสนาพรหมจรรย์ซึ่งรวมทั้งสิ้นอยู่ในสิกขาทั้ง3อย่างคือที่ศีลสิกขาอธิจิตตสิกข า, รรขาและอธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นคนที่เพ่งสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดแสดงว่าสิกขาสามบริบูตร นะศิกยาสามนี่บริบูรณ์ไม่มีส่วนเหลือดูการพิสูน์ทั้งหลายก็พิสษุผู้ฉลาดในฐานะเจประการนี่เป็นอย่างไรอันนี้เอาหวข้อหลักมาก่อนดูกานพิสูจนทั้งหลายพิสษุนในธรรมวินัยนี้รู้ชัดซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปอัศธ า, าแห่งรูปอาทีนวะคือโทษแห่งรูป และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปเนไะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนไะวิญญาณรู้เหตุเกิดแห่งวิญญาณรู้ความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอสสาธาแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณและก็อุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณไนไะโดยกรามพิสูจนทั้งหลายก็โรคเป็นไงนะ มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสนี้เราเรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหารอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ อารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนี้แลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปสุขโสมนัสอาศัยรูปนี้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าอสาทะธาหรือว่าคุณแห่งรูปรูปไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งรูปการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในรูปเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ดูความพิสูจทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปสมณะพรามณ์เหล่านั้นปฏิบัติดีแล้วหรือสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเชื่อว่า ย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้เขานะบอกว่าคนที่จะยั่งลงในธรรมวินัยนี้คือคนที่ปฏิบัติแบบนี้เชื่อว่ายั่งลงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปอย่างนี้อย่างนี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ความดับและเพราะไม่ถือมั่นรูปสมณะพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมเหล่านั้นเป็นอันเสร็กิจสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเสร็จกิจสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกขอให้รู้เรื่องรูปจริงก็แสดงว่าเป็นผ้าอรหันได้พ้นจากวัตถุทุกแต่ต้องรู้ตามเงื่อนไขนี้นะเนี่ยนะ นเโอ้ถ้าเห็นรู้รูปอะมองเห็นธรรมดาเนี่ยโอ้เห็นมานานแล้วน่าจะรู้นะใครเกิดนานที่สุดคนนั้นรู้รูปมากที่สุดผมรู้ทุกวันมาใช่ไหมแต่รู้แบบนั้นไม่ใช่แน่นอนอ่ะปฏิเสธการรู้แบบปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะปุตุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่พบพระอริยะไม่เห็นพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะเนี่ยนะการเห็นรูปก็เหมือนกับไม่เห็นนั่นแหละเพราะไม่ได้เห็นความจริงแห่งรูปซึ่งความจริงของรูปเนี่ยเป็นอย่างไร ถ้าจะกล่าวถึงรูปคําเดียวก็รู้สึกว่าอาจจะทําให้ไม่ค่อยชัดเจนลองพูดถึงถึงรูปอื่นบ้างดีครับทางทวารอื่น อ, อันนี้ใช้คําว่ารูปนะเดี๋ยวว่าจะกล่าวต่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะซึ่งเป็นสูตรที่น่าฟังเกี่ยวกับเรื่องรูปเหมือนกันให้เห็นความเด่นชัดที่พระองค์ตรัสไว้ในปริวัติสูตรนะสูตรก่อนหน้านั้นสูตรหนึ่งกล่าวว่าดูความพ่สูจนทั้งหลายอุปาทานขันห้านี้อุปาทานขันห้าเป็นชนะัยอุปาทานขันคือรูป อุปาทานะขันคือเวทนาอุปาทานะขันคือสัญญาอุปาทานะขันคือสังขารอุปาทานะขันคือวิญญาณดูความพิสูจน์ทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งอุปาทานะขันห้าประการนี้โดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมนะสูตรก่อนเนี่นะ ทำให้ประทับตราว่าถ้าพระ อ, องค์ไม่รู้แบบนี้นะไม่ปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นถ้าไม่รอบรู้แบบนี้นะพระ อ, องค์จะไม่ปฏิญาณเลยว่างั้นดูความพิสูนทั้งหลาย เมื่อใดแลเราอยุรู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยเวียนรอบสี่ตามเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมเทวดาและมนุษย์เนีย่ยนะเวียนรอบสี่อย่างคืออะไรเรารู้ยิ่งซึ่งรูปความเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูป ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปนะนะที่เหลือก็เือว่าเรารู้ยิ่งซึ่งรูปก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยรู้ยิ่งซึ่งรูปก็คือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปนี้เรียกว่ารูปเหมือนกันเพราะพระองค์รู้แบบนี้นี่แหละพระองค์จึงปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างั้นเถอะแต่แต่ในในปริวัตรสูตรี่ก็กล่าวทั้งรูปทั้งเวทนา เหมือนกันมั้งเมือนกันเจ็ดพ เ, เพียงแต่ว่าในปริวัติตสูตรนั้นกล่าวแค่รูปเหตุเกิดความดับแล้วก็ปฏิปทาให้ถึงความดับเท่านั้นเองแต่นี้เจ็สูตรนี้เพิ่มอีกสามคำอ า, าธาทาอธีนวะและนิสรณะตามอัธยาศาัยของผู้ฟังทีนี้เรามาทำความรู้จักคำว่ารูปเนี่ยนะรูปคือมาปุตตรูปสี่และ รูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่วิธีขยายเรื่องรูปประขันเนี่ยนะเท่าที่พบดูท่านขยายตามอายตนะนะท่านขยายตามแนวอายตนะเช่นที่เราลืมตามองเห็นเนี่ยนะที่ลืมตามองเห็นเนี่ยตาตานี่เป็นภาษาทารูปภาษาทะแปลว่าความใสภาษาทะนี่แปลว่าความใสความใสชนิดนี้อาศัยอะไร ความใสเนี่ยเนีเป็นใสเฉยๆความใสอันนี้อาศัยมหาพูทธสีเนี่ยนะตาที่เรามองเห็นใสๆเนี่ยนะถ้าลองความใสของตามันมัวไปใสในน้อยเนี่ยนะภาพจะไม่ชัดอนุภาพของการเห็นทั้งหมดอยู่ที่ความใสถามว่าไอประษาท้หรือความใสอันนั้นเนี่ยมีเบื้องหลังคือมหาพูทธรูปเป็นเหตุใกล้แห่งความใสเหล่านั้นทั้งหมด มหาภูตรูปอันนั้นเนี่ยนะถามว่ารู้จักรูปจริงๆเนี่ยรู้ทั้งปัจจัยแห่งรูปด้วยนะข้อหนึ่งนี้รู้รูปพร้อมทั้งปัจจัยแห่งรูปข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยรู้รูปพร้อมทั้งสมุทฐานหรือพร้อมทั้งปัจจัยจึงจะเชื่อว่ารู้จักรูปจริงๆเพราะว่าการรู้แบบนี้เนี่ยนะคือรู้ตามแนวปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นรู้จักรูปหรือยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าจักขู่ภาษาท่าเนี่ยนะ ความใสที่สา ม, มารถเห็นได้ความใสอันนี้ก็คือความใสแห่งมหาพูดซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยในอดีตนานักขาัตคณิกกรรมณในอดีตเป็นปัจจัยแต่ถ้าถามว่าไอความใสคือจากขู่ภาษาธาซึ่งอาศัยมหาพูทธรูปเนี่ยนะถ้าขาดอาหารความใสอันนี้ดีไหมบกพร่องไหมเพราะฉะนั้นกับพลิงกระหารจะเข้ามาแล้วความใสอันนี้เนี่ยนะมีกลิ่นไหมในนั้นมี มีรถไหมมีมีโอชาไหมในดวงตาของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรูปต่างๆก็มีอยู่ในนั้นทั้งหมดโดยที่มีมหาภูต ร, รูปนั่นแหละเป็นเป็นที่อาศัยเกิดเป็นเหตุใกล้ของรูปที่เหลือทั้งหมดเลยแล้วมหาภูต ร, รูปในตาของเรานี้มีสมุทฐานทั้งสประการ น, น, นะนะแต่ถ้ากล่าวถึงตาก็เฉพาะกรรมเป็นสมุทฐานแต่ในขณะเดียวกันถ้าขาดจิตตาสมุทฐานอุตโตสมุทฐานอาหารสมุทฐานเขาอยู่ไม่ได้ เช่นร้อนเกินไปเนี่ยตาอยู่ไม่ได้เนี่ยนะอุตุสมุทรานมากไปเนี่ยนะอยู่ไม่ได้อาหารสมุทรานน้อยไปก็อยู่ไม่ได้จิตสมุทรานเนี่ยนะมากๆ ก, ก็ไม่แน่นะโกรธจัดจัดเนี่ยบางทีตาเสียเลยก็ได้เนี่นะทะลึงตาบ่อยๆเนี่ยเสียตาเลยเนยนะะนั้นจิตเป็นสมุทรานเพราะฉะนั้นในรูปทั้งหมดเหล่านั้นอะความใสความใสซึ่งเหมือนกับกระจกเงาใสาๆเท่านั้นเองสา ม, มารถรับภาพได้ ทางตาที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยคือสีเบื้องหลังของสีคืออะไรมหาภูตรู ป, รปทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเบื้องหลังของสีทุกชนิดคือมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นในสีเหล่านั้นมีกลิ่นอยู่ด้วยมีรสอยู่ด้วยมีโอชาอยู่ด้วยมหาภูตรูปเขาเป็นโธพธะะ น, นะนะโดยโดยโยตนะเขาเป็นโธพธภารมโดยโอารมณ์เขาเป็นโธพธภารมแต่ว่าทั้งหมดเหล่านั้นสีก็อาศัยมหาภูต อันนั้นถ้าทาวารตาเน้นที่สีใช่ไหมภายในเน้นที่ตาซึ่งมีมหาพูทธรูปเป็นเบื้องหลังภายนอกคือสีก็มีมหาพูทธรูปเป็นเบื้องหลังทีนี้ถ้าทาวารอื่นไงโอ้ความใสของหูเนี่ยนะก็มีมหาพูทธรูปเป็นเบื้องหลังก็คือความใสของมหาพูทธรูปที่เกิดจากกรรมมีตันหาเป็นเหตุอยากให้ฟังเสียง ตันหานะ่ะเป็นตัวแต่งให้เป็นหัวให้อยากฟังเสียงเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของโซต ะ, ะาภาษาทะก็คือมหาภูตรูปซึ่งมีกรรมที่ที่เป็นบริวารของตันหาซึ่งตันหาอันนั้นอยากยินดีในเสียงทําให้มีหูขึ้นเห็นไหมเพราะนั้นที่อาศัยหูกับเสียงเนี่ยนะจึงเกิดการได้ยินที่เราได้ยินทุกคําทุกคำเนี่ยไอหูอันนั้นเนี่ยเป็นความใสที่มีมหาพูดเป็น สมุทฐานเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้แล้วก็เกิดจากกรำอย่างเดียวจะต้องมีอุตุสมุทฐานจิตตสมุทฐานและอาหารสมุทฐานนั้นเข้าไปหล่อเลี้ยงด้วยแม้แต่เสียงที่เป็นคําเป็นคําออกไปเสียงเหล่านี้ก็คือคืออะไรเสียงที่อาศัยมหาพูดนั่นแหละพอนที่เรากำลงังดังๆเนี่ยนะตัวเสียงอันนั้นมีมหาพุทูปอยู่ข้างหลังนั้นน่ะ น, นะถ้ามหาพุทูปไม่ไปกระทบ ถ้ายกตัวอย่างข้างในฐานเนี่ยนะถ้าธาตุาดินไม่กระทบธาตุดินจะไม่มีเสียงออกมานะแต่อาสายดินกับดินเนี่ยกระทบกันยังมีเสียงออกมาเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ที่เราไม่ได้ยินที่หูเนี่ยนะสแสดงว่าเสียงนั้นเนี่ยมีมหาพูดอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็อีกแง่มุมหนึ่งของมหาพูดออกมาในรูปแบบของเสียงมหาพูดอย่างหนึ่งออกมาในรูปแบบสีมหาพูดอย่างหนึ่งออกมาในรูปแบบแห่งเสียง ถามว่าในตัวเสียงมีสีร่วมด้วยไหมมีสีมีอยู่สีสีนี่อยู่ในเสียงมีไหม ม, มีในตัวเสียงมีกลิ่นไหม ม, มีในตัวเสียงมีรสไหมมีเนี่ยนะในเสียงก็มีโพธะภะด้วยในตัวเสียงก็มีโพธะภะด้วยแต่ว่าเสียงเป็นประธานเด่ น, นเฉยๆฉพราะนั้นพระองค์ใช้คําว่ามหาพูดและรูปที่อาศัยมหาพูดนี่สมบูรณ์มากนะเพราะให้เราเพ่งต่อไปได้อธาทวารอื่นๆอย่างเช่นคานาทวารเนี่ยนะ คณะเรียกว่าจมูกเนี่ยหรือความใสของจมูกก็มีมหาพูดเป็นเป็นเบื้องหลังเป็นความใสของมหาพูดที่สามารถพิเศษอย่างหนึ่งสามารถรับกลิ่นได้อย่างเดียวอันจากเอาเอาเข้าไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะเอาไปดูสีแทนไม่ได้อะไรแทนไม่ได้สักอย่างเพราะความใสชนิดหนึ่งที่สามารถรับกลิ่นอย่างเดียวแล้วตัวกลิ่นอ น, นั้นเนี่ยเบื้องหลังของกลิ่นก็คือมหาพูดอีกนั่นแหละเนี่ยนะลิ้นตัวความใสเนี่ยนะ ลิ้นอันนี้เบื้องหลังของลิ้นเนี่ยก็คือมหาพูติอีกรถที่มากระทบเนี่ยนะก็คือมหาพูทรูปอีกนั่นแหละแต่กายนี่เยอะหน่อยนะถ้ากายเนี่ยนะกายคือผมกายคือกายคืออะไรกายคือขนกายคือเล็บกายคือหนังกายคือฟันกายคือเนื้อกายคือเอ็นคือกระดูกเยีนในกระดูกเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าเป็นกายทั้งหมดเลยนะภาษารีบุเรียกว่ากายะแปลว่าเป็นกอง และอย่างหนึ่งกายะประสาทะก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นั่นแหละใช่ไหยกายภาษาสาตุาอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่ผมอยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันอยู่ที่หนังอยู่ที่เนื้อปกายะปษาสาตะคือระสาธาต ค, ความใสที่สา ม, มารถรับปกระทบโพธพารมได้นะความใสที่สา ม, มารถรับกระทบโพธพารมได้ซึ่งโพธพารมเหล่านั้นก็คือมหาพูทูปนั่นเองนะมหาพูทโธสามเป็นโพธพารมคือ ปทวีเตโชและวาโยโพธพารมเ์นะเพราะนั้นกายกับโพธะเนี่ยนะพวกนี้ก็คือมหาพูทนั่นเองแต่ว่าตัวกายเนี่ยเป็นความใสของมหาพูทพฉะนั้นมหาพูทนี่บางทีมันก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับพูดผีปีศาจนั่นกันท่านว่านั้นเลยนะว่ามันหลอกแบบนั้นแหละดูเหมือนเป็นจริงเป็นจังเหมือนนั่นเหมือนนี่นะแต่จริงแล้วก็ก็เป็นอย่างงั้นแหละ เป็นไปตามปัจจัยของเขาอ่ะแม้กระทั่งความคิดที่เราคิดเนี่ยนะมีหัตถยวธูเนี่ยรองรับหัทถยวธูเนี่ยเป็นเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งกาเบื้องหลังเขาก็คือมหาพูตธรูปอีกนั่นแหละเนี่ยนะแล้วอาศัยมหาพูตรูปเหล่านี้เนี่ยนะเรียกว่ามีสิ่งมีชีวิตชีวิตก็อาศัยมหาพูตธรูปเหล่านี้นีแ่แหละเนี่ยนะ ภาวะหรือเพศก็อาศัยหมหาภูตรูปเหล่านี้ใช่ไหมได้รูปไปกี่รูปแล้วมหาภูตรูปมีมหาภูตรูปสี่ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วจักขู่ระสาทารูปอารมณ์เพิ่มเข้าไอีกโหสัทธารมณ์คือเสียงก็มหาภูตรูปอีกนั่นแหละจมูกกับกลิ่นเกลนกับรถกายภาวะรูปชีวิตรูป ในนั้นยังมีโอชาอยู่ด้วยเนี่ยนะแล้วก็ช่องว่างของรูปของรูปนั้นเรียกว่าปริเฉธากาศเนี่ยนะมหาพุทธรูปเหล่านี้แสดงออกมาเป็นกายกรรมเจีกรรมล่วงมาทางทวารเนี่ยนะโดยมีจิตเป็นสมุทฐานอันนั้นเรียกว่าวินยติรูป เ, นะเรียกว่าวิญัติรูปในรูปทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะก่อตัวขึ้นเรียกว่าอุปจยะไออุปจยะกับสันติไม่ต่างกัน เป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้แล้วก็ความชราแห่งรูปเรียกชรตาความดับไปแห่งรูปเรียกอนิจจตามั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรูปเป็นไปในลักษณะนี้เท่านั้นเองเนี่ยนะพันพร้ อ, องค์ใช้คําว่ารูปและมหาภูตรูปและอุปาทายรูปถ้ารู้รูปนั้นๆจริงๆเนี่ยนะเช่นถ้ารู้เรื่องสีจริงๆต้องรู้สีนี่มีสมุทฐานอะไรนะถ้าไรนะสีนี่มีสมุทฐานเท่าไร เราคนถามว่าสีที่ว่าดนี่สีอะไร <c oughs> ใช่ไหมถ้าสีของอ่ะ น, นะสีของเล็บนี่สมุทฐานสีสีของฟันนี่เป็สมุทฐานสีกามจิตอุตตูอาหารสีของผิวก็สมุทฐานสีนะสีที่อยู่ในร่างกายมีสมุทฐานสีร่างกายของคนของสัตว์เนี่ยนะถ้าสีที่อยู่นอกตัวไปแล้วเป็นสมุทฐานเดียวมีสมุทฐานเดียวคืออุตุสมุทฐาน ถ้าอยู่ในกายนี่มีจิตมีกรรมมีจิตมีอุตุมีอาหารเป็นสมุธฐานาการรู้เรื่องสมุธฐานเนี่ยนะของรูปนั้นๆนเนี่ยถ้าเราจะรู้รูปต้องรู้สมุธฐานของรูปนั้นๆด้วยจึงจะชื่อว่ารู้จักรูปจริงๆเช่นรู้สีก็ต้องรู้สมุธฐานของสีคือกรรมจิตอุตูอาหารซึ่งมีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้ของสีอันนั้นแล้วกรรมจิตอุตูอาหารเนี่ยเป็นเป็นเหตุไกลเนี่ยนะทุกๆ ท, กทวารเลยนะ สามารถสง่งเคราะห์ตาโดยสมุทฐานสีสีโดยสมุทฐานสีเป็นต้นแต่ว่ากรรมที่มาทำให้เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าขาดอาวิชชาตัญหาอุปาทานแล้วเนี่ยกรรมจะทำให้ผลได้ไหมไม่ได้นะอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นเหมือนกับแม่แล้วก็กรรมเป็นเหมือนกับพ่ออาหารที่มาหล่อเลี้ยงอยู่นี่เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนม นะทั้งจิตเชรูปอุตชรูปด้วยก็ลักษณะเดียวกันถ้ารู้ในลักษณะนี้เชื่อว่ารู้จักรูปเนี่ยชื่อว่ารู้จักรูปรู้จักรูปพร้อมทั้งสมุดฐานตอนแรกรู้โดยจํานวนนับก่อนว่าในสิ่งนั้นเนี่ยมีกี่รูปรูปอะไรบ้างสองสมุดฐานต่อไปนี้จึงจะเชื่อว่ารู้จักรูปนะถ้าว่าถามว่าถ้ารู้จักรูปอย่างนี้ละอะไรได้วันนี้รูปถ้าพูดบอกนี้รูปต้องละกิเลสได้แล้วนะ ถามมาละกิเลสอะไรได้ถา้าวารว่นนี้รูปชั้นต้นก่อนละสกายะทิฏฐิเพราะในรูปนั้นๆไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยมีใครอยู่ในนั้นไหมถามว่ารูปเหล่านี้จริงไหมจริงถามว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นใครได้ไหมไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าใครก็ได้อ่าคนละอย่างกันนะ ไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่อาศัยสิ่งนั้นเรียกว่าใครได้เอาหม่เอาไปนะเอางี้นะเขาบอกว่าในแขนอันนี้นะไม่มีพระสมบัติอยู่ในนี้เลยนะไม่มีพระสมบัติอยู่ในนี้เลยแต่อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเลยเรียกว่าพระสมบัติเอเข้าใจนะสบายมากเนี่ยผ่าน ถ้าถามว่าถ้ารู้จักว่าเออเนี่ยที่จริงแล้วเขาก็เป็นรูปประขันรูปประธรรมเหล่านั้นนั้นเนี่ยการรู้แบบนี้ละส ก, กายทิฏฐิเพราะในนั้นไม่มีชีวะบัญญัติที่บางลับที่บัญญัติขึ้นว่ารูปนี่คือชีวะเนี่ยนะเป็นตัวอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่เขาค้นคิดขึ้น